ที่ไหนส่ไหนก็ไปทึกงรวมลงที่ใจแห่งเดียวจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติซึ่งสมัยเดือนนี้มีข่านาจารย์หลายท่านหลายองสอนแปตกต่างๆในเรื่องหลายอย่าง รในความอนุมานเอาก็มีใอความเข้าใจตนเองก็มีโดยคิดนึกตรงไปคิดกรองไปแล้วก็เอาความคิดของกรองตนนัาา้นนหะมาสั่งสอนอบรมคนอื่นต่อไปก็มีไม่เข้าถึง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 เขบอคุมมาอยู่เพียงแค่นั้นแล้วมันจะรวมลงกันไปเป็นใจคือผู้รู้สึกแต่ไม่นึกไม่คิดใจนี่คือผู้นึกผู้คิดในจิตนี่คือผู้นึกผู้คิดแต่ใจนี่ไม่มีนึกคิดมีแต่คนคุมรู้เฉยๆจะรวมเพียงแห่งเดียว คำข้อนั้นจะถูกไหมถูกตามคำสอนของพระเจ้าไหมถูกรับรองว่าถูกทีเดียวตอนพระพุทธองค์จะนิพพานท่านบอกประมาเดนะตั้งปาริธะภิกษุทั้ ง, งหลายจงแกะความมาประมาทให้เต็มพ้อถือ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 แอมีความรักควงโกรธนะแอบมีความรักความโกรธความหมันอยู่เฉยๆท่นจับใจได้แล้วโรคโคลงหายไปไหนไม่ไ้ท่านจับใจไม่อยู่ใจนั่นแะเป็นผู้ังควมโกลงโกรธวมหลงความรักเท่ชัง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 มันลงของเก่านะไม่ไค้นจากนั้นไปเกิดในกาลมาพบกามเมลุกลก็จะวนเวียนอยู่ในกาลนีมันจะแบไอ้คนคนนี้ค่อยมาสร้างพบสร้างชาติมาเกิด อ, อยู่นี่ไหมี่ที่สิ้นที่สุดก็เพราะมันอยู่ในกาาลกกาลเมลุกมาพบมันวนเวียนอยู่นี่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 มันสรุปลวมได้อย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่งเรียนของจริงค้นคว้าหาคของจริงถ้าอยู่เป็นอะไรก็เป็นไปทั้งรวมเอามจริงของเขาทิผู้ตั้งของเป็ดยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครทั้งนั้น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 มันอยู่ตรงกลางแนละ้วอันนั้นเอานั่นนะทำใจให้สบายสบายถ้าหากมันไม่อยู่จับตรงนั้นไปแล้วถ้าหากไม่ยนึกพุโทโธคำมิริกรรมพุโทโธหรืออนาฟาสติก็ได้มันอยู่เพื่อเป็นจุดหมาย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 มันจะปล่อยวางเองลืมหายไปไหนไม่ได้ภูตโถหรืออาหไหนันอะไรไอ้หืูตโทรหรืออนาป่าสติอย่าไปจับมาอีกภูโทเลยอนาปาสติมันปล่อยวางเล้มันสงบนิ่งแนวเลวให้มองดูกูนะั่นแนละถ้าหากว่ามองดูอยู่นา น, าน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 เห็นตัวนั่นอหดีกวเห็นคนเห็นท่าพาสวรรค์เห็นเทพปฏิตามันผมไม่เป็นประโยชน์ทันเห็นเรานี่มีประโยชน์มากแก้ไขตัวขอเรานี่มีประโยชน์มากเห็นเทพรทพระกูทเทพดาพูดดีทีษษษ่สุดไม่ได้มาแก้ให้เราเหรอก